เทพพระองค์ประโชยจากพระคันของพระมารดาไม่กี่วันพระบิดาทำพิธีแลกนาคฝันพระราชเลี้ยงนางนมผูกพระหูให้บรรทมอยู่ใต้ตนว่าในขณะที่ชาวบ้านเขาพากันสนุกเพลิดเพลินเกี่ยวกับการากับพิธีการแลกนาคฝันเขาทั้งหลายก็ทอดที่ยงให้พระองค์ทรงบรรทมอยู่ใต้ลมว่า ในพปะหอูใต้ล่มว่าแต่พระองค์เดียวแล้วในขณนะนั้นแหละพระวิสัยของพระสัพพันธ์อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเองสมาธิพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนภาลกตัวเล็กๆนอนอยู่ในอูสามารถภาวนาเป็น พระองค์กำหนดพระสติู้ลมหายใจเข้าหายใจออกในว่าได้บรรลุปฐมมัฌานโ <c oughs> ค้ตภาวนาได้บรรลุปฐมมชฌานนี่มันเป็นอย่างไรจิตสงบนิ่งู้อยู่กับลมหายใจการที่จิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ทอดทิ้งลมหายใจลมหายใจไม่ได้ปะจับจิดจิตไม่จ เลยไม่เละกระจากลมหายใจอารมณ์กับจิตคลมเคลื่อนกันสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกจากกันอันนี้เรียกว่าวิตกราสติสัมปชัญญะที่ประคับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าวิจารเมื่อสมาธิมีวิตกวิจารณ์สมาธิมีอารมณ์เป็นสิ่งรู้สติมสีสติมีสิ่งระลึก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 อันนี้คือธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อพระองค์นึกหาคำใดที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาหรือท่องมนไม่มีมันจนใจจริงๆก็เลยทรงกาหนดพระสติรูลลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นทีนี้ว่าพระองค์มีพระสด็จกาหนดู้ลมหายใจจิตของพระองค์ สงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยในที่สดวิ่งเข้าไปสงบสว่างอยู่ในถํำกลางของร่างกายทำให้พระองค์มองเห็นอวัยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวซึ่งเรียกว่ารู้อาการสามสิบสองพระสดที่เราที่ที่เราสวดทำวัดสดมนต์กันอยู่ทุกวันนี้ายังเมอเมกาโยุ ท, ทังปาทศลา อาจากปริยัตโตปุโรนานัปการัสสาสุเชโนเกิดขึ้นก่อนการตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าพระพระองค์กำหนดโลลมหายใจติดตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างในท่ํากลางของร่างกายแหรัศมีสว่างสวัยมาครอบคุมกายหมดถ้ามองมองดูอย่างตาเราธรรมดานี่ก็เราจะตกใจนันว่าโอ้ไหวลุกใหม่ระ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 ยังเหลือแต่เจตสวงเดียวนิ่งสว่างสวัยลอยเด่นอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเด้แทนแต่เพียงว่าเจตเข้าไปอยู่ในฌานขั้นที่สี่เรียกว่าเจตุธาฌานพอไปถึงฌานขั้นที่สี่แทนที่จะไปอากาสานัญจายนะัสนาวิน ญ, ญาณัญจายัสนะอากินจัญญายัสนะเนวสัญญานาสัญญายัสนะตามคำภีของพวกพราม พอขยับจะออกจากฐานที่สี่เจตของพระองค์วกเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทายิตาในโรธสัญญาเวทีเยตทายะตาในโรธนี่แหละเป็นฐานสร้างพลังงานเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตาละถ้าเข้านิโรธนี่มันเป็นอย่างไรเจตอยู่ในนิโรธสมาบัติมันเป็นเจตแรกนิดเดียว แทบจะไม่รู้สึกตัวแต่มันก็ยังมีอยู่ทีนี้ในเมจเจของพระองค์มีพลังพร้อมแล้วก็บเบงบาลออกมาอีกทีหนึ่งแผ่รัศมีครบคลุมจั ก, กรวาลทั้งหมดไม่มีอะไรจะปิดบังดวงจิตของพระองค์ได้ทำให้พระองค์ต ร, รัสโลเป็นโลกับวิถูคือว่าในขณะจิตเดียวนั่นแหละิต ร, รอยเด่นสว่าง มองลงไปกึ้นโน้นเห็นนรกอยู่ดูเนอ้ามามองสำรวจดูกลางๆเนี่ยโอ้ดีพิเแต่มนุษย์แตสัตว์เตรละฉานมองขึ้นเนื้อหัวไปโนมนเห็นแต่เทวดาแต่มไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าตรัสโลเป็นโลกวิโสผู้รู้แจ้งโลกคือโลกโลกจารลกโลกผู้ผีพีศาสลูกโลกเปรตโลกอสูรกายแล้วก็มาโลกมนุษย์ แล้วก็โลกเทวดาอินทร์ธมทั้งหลายเต็มไปหมดรู้ในขณะเจ็ดเดียวและในขณะเจ็ดเดียวนั่นแหละพระองค์ก็สามารถรู้ในทีว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีประเภทต่างๆกันสิ่งที่มีชีวิตมีกายกับใจเนี่ยอ้าพอมองลงมาไอ้หมอนี่ทําไมมันสองขาว้างไอ้หมอนั่นทําไมมันสี่ขาวะมีหางด้วย เ้้ยหมอนั่นทำไมมันไม่มีแข้งมีขามันลุวยไปตามเพื่อนดินอันนี้มันเป็นไปเพราะอะไรเกียของพระองค์รู้อยู่ในทีว่ากฎของกรรมแล้วก็สามารถรู้ต่อไปอีกว่าทําไม่สัตว์ทั้งหลายมันจึงทำกรรมต่างๆกันและไปเกิดในพ่อพรมต่างๆกันเพราะอาศัยอวิชชาคือความรู้ไม่จริง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 เรื่องโปเพนิวาสานุตเจยันจโตปาปาเจยานอาสวัคยยานพระองค์ต ร, งงตรัสโลในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมยธรมแล้วก็ตรัสโลในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานเจตอยู่ในสมถะกรรมฐานในท่านเคยเจอหรืออย่างท่านนักภาวนาทั้งหลาย เจตอยู่ในสมถะกรรมาฐานขั้นสูงสุดจิตนั้นไปอยู่ตรงที่ร่างกายตัวตนไม่มีถ้าเจตของท่านผู้ใดเดินเข้าไปสู่ภูมสมถะกรรมาฐานอย่างแท้จริงจะรู้ว่ามีแต่จิตของตัวเองดวงเดียวเท่านั้นสว่างสวัยอยู่เหนือจักรวาลจะมีความรู้สึก ใกล้ๆก็ว่าในจักรวาล น, นี้มีใจจิตเราดวงเดียวเท่านั้นทุกถึงทุกอย่างมันหายหมดอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะอันสูงสุดเพราะฉะนั้นผิดห้องทั้งหลายใครอย่าไปบังอาจกล่าวนะว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้พระพุทธเจ้าตรัสสโลในขณะที่จิตจูในสมถกรรมฐานแท้ แต่ความรู้ความเห็นในปมของธรมธธรมถากรรมฐานนี่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นเฉยๆแต่โทษไม่เป็นเหมือนคนใบ้ทําไมจึงคิดแล้วโทษไม่เป็นเพราะว่าในขณะนั้นร่างกายไม่มีมีใจจิตพันเป็นรามธรรมาอย่างเดียวเจตเต มีแต่ตัวจิตยอย่างเดียวสามารถรู้เห็นได้แต่คิดไม่เต็มเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเกิดความคิดเนี่ยมันอยู่ที่ประสาทสมองนี่โยมทัาไหร่ทีนี้เมื่อจิตของพระ อ, องค์ไปตัดสโลเป็นโลกิถูแล้วเมื่อย้อนกลับมาสัมพันธ์กับร่างกายอีกครั้งหนึ่งพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้น <c oughs> เจตตรงนี้จึงได้ปฏิวัติตัวไปพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ําเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าจเจริญวิปัสสนาเราองค์พิจารณาเรื่องปกเทนิบาสานุสติยานเนี่ยคือการระลึกชาติผลหลังได้คือระลึกได้ว่าชาติตอนที่เราจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นพระเวทสันดรก่อนจะมาเกิดเป็นพระเวทสันดรเป็นวิถุระบัณฑิตหรือเป็นมโหสถบัณฑิต ตามลําดับที่พระองค์ได้เวียนไาวตายเกิดมาอันนี้เรียกว่าโอเคนิวาสานุสติยานยานละลึกชาตผลหลังได้พระองค์พิจารณาทบทวนแล้วมันจบลงในปฐมมายามแต่ในพอพิจารณาเรื่องโอเคนิวาสานุสติยานจบลงในปฐมมายามก็มาพิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรม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 ที่นี่พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์นี่คืออวิชาความรู้ไม่จริงกิเรตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างมนุษย์กกเรตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างสัตว์กิเรตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างผูดปีปีศาจเปรตอสุรกายเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงมันจึงทํากับไปตามที่ตนชอบใจมาทําไปตามที่ตนชอบใจแล้วมก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็บังเกิด บังเกิดได้พอ่อโฟมต่างๆกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคำเทศว่ากัมมังตะเตวีพัชติกัมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันอันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมจำในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้ว <c oughs> เจตยอมรับสภาพ ค, ความจริงอรหัสมัตขยานจึงบังเกิดขึ้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปั ในปัจจิกมัยยามคือจวนใกล้ลูกยังได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทธ佛พระกวาตพระพุทมีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันดับเพลิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเถรตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่เราเอามาคํามาเป็นคําไหว้พระอยู่ทุกวันนี่อรหังสัมมาสัมพุทธ佛นั้นมันเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธองค์รตรัสสรู้ แต่เนีการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยการตรัสรู้นี่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสยังไม่หมดพระองค์ตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่ําแต่มาเป็นอาหารหันต์ในเมื่อโจรสว่างอย่าโจรทั้งหลายความแตกต่างของศาสนาโยเทกฎหรือระเบียบ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 ทภายหลังก็อาศัยความคิดอ่านของตัวเองหรือสังคมที่เขาชอบใจสิ่งใดที่จะสังคมเขาชอบใจก็บัญญัติเป็นเป็นระเบียบหรือเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาคล้ายๆก็ว่านอนหลับฝันไปตื่นขึ้นแล้วก็มาเผยแพร่ศาสนาแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันเกิดจากเรี่ยวแรงของวีร บ, บุรุษที่ยอดเยี่ยมในโลก ท่านทั้งหลายที่เคยได้ศึกษาเรื่องพุทธประวัติมาแล้วย่อมทราบดีว่าพระองค์เนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อแสวงหาโมคตธรรมหรือเพื่อการตรัสรู้เพื่อนำธรมรมะสอนมาสอนพวกเราทั้งหลายนี่มันลำบากยากเย็นเพียงแค่ไหนเพราะฉะนั้นสง่เท่พระองค์นำมาสอนเราเนี่ที่ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาป พ, พระองค์เคยฆ่าสัตว์แล้วไปตกนรกมาแล้ว อาศัยที่พระองค์รู้ชาติในอดีตพระองค์ไปเกิดเป็นนน่นเป็นนี่เพราะกรรมอะไรพระองค์ก็รู้มาแล้วซึ่งเรียกว่าได้ลองของมาทุกอย่างแล้วแล้วก็เอาความจริงที่พระองค์ได้รู้นั่นแหละมาสอนพวกเราดังนั้นธรรมคำสั่งสอนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งรละลึกของสติของพระพุทธเจา้า ได้แก่กายกับใจมนุษย์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเดนฟ้าอากาศตั้งแต่มวลสารที่เล็กที่สุดตั้งแต่อโนปรมานูตลอดทั้งสิ่งที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตนี่คือธรรมชาติได้แก่เดนฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาต้นเกินและสัตว์ทั้งหลายที่ดีอยู่ในจั ก, กรวาล น, นี้อันนี้เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าสรัสโลเนี่ยคือรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจักรวาล น, นี้แล้วก็รูกกฎธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี้กดความจริงของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี่คืออะไรคืออ น, นิจจตาความไม่เที่ยง อนัตต์ตตาความเป็นทุกข์อนัตตตาความไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงยักษย่อยอยู่เสมอเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวสภาวะธรรมทั้งหลายเขาเป็นไปตามกฎธรรมชาติตของเขาแล้วทำไมเราเป็นมนุษย์จริงจะต้องไปเดือดร้อนเที่ไปเดือดร้อนก็ไม่ใช่อะไรหรอกญาติโยมมนุษย์เราเนี่มันมันถ้าลงตัว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 ทีนี้พอเราไปยึดว่าเป็นลูกเราหลานเราเราก็เสียใจในเมื่อเสียใจแล้วเราก็เกิดทุกข์ไอ้หนูน้อยนะมันไปจากมันก็ไปตามกฎของกรรมละสิมันมาทวงหนี้เรานิดหน่อยพอมันได้หนี้มันแล้วมันก็หนีไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครใคก็อยากได้ลูกได้เต้าลูกเต้าที่มาเกิดกับเรานี่แหละคือลูกหนี้ เคยเจ้านี่เราละ่ะเราสร้างกันสร้างเว้นต่อเนื่องกันมาเช่นยังโลกหล้านบางคนนี่มาเกิดแล้วมาเก็บประสบกระแแอะออดแอดแอ ด, อดเลี้ยงยากเสียแต่เงินแต่ทองนั่นแหละเจ้านี่รายใหญ่ของเรามันมีอย่างนี้เด้อเคยได้ยินจํำคาเทศหลงตาเพงได้หรือเปล่าหลงตาเพงเทศว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมันมาเกิดกับพ่อกับแม่มัน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 หมอเนี่ยมันมันใจโหดเพียมมันเป็นนี่เราบาดเดียวเราไปพวงมันไม่ให้เลยจเจ อ, อมันที่ไหนจะฆ่ามันทีพอจะแล้วภายหลังมาเนี่ยจะพ้อเนี่ออก็โกครวนเกียดถึงโูกถึงเจ้าโศกเศร้าเสียใจโยมาวันหนึ่งตาภัาขา์เคนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหนมาถามแมาเจ้ า, อ ย, จา อ, อยากเห็นโูกเจ้าเหรออยากเห็นเอา้าถ้าอย่างนั้นหลับตาซะข้าจะพาไปพอหลับตาทับก็ไปถึงเมืองที ก็ไปก็ไปเจอแม่มันแต่เอ็หนูร้อยมันหนีออกไปทุลาข้างหนอกพอไปถามหาไอ้เจ้าลูกชายที่มาเกิดกับเราเนี่ยแม่มันก็บอกว่าโอ้ยไอ้นี่มันใจโหดเทียมนะมันว่าเจ้าเป็นหนี้มันบาทเดียวมันไปทวงเจ้าไม่ให้มันมันเจอเจ้าที่นั้นมันจะฆ่าเจ้าเลยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วมันไปทุลาข้างหนอกเจ้าไปอยู่ไดสุมขังไก่พัดเขาเอาซุมขังไก่เนี่ครอบเอาไว้สักพักหนึ่งไอ้หนูร้อยมันก็มา แม่มันก็บอกว่าพ่อเจ้าในเมืองโมโนตมาเยี่ยมเออไห น, หน่ราบรรยู่ไหนเราจะฆ่ามันทิ้งไอ้นี่มันใจโหดเยี่ยมเป็นนี่เราแล้วไปทวงมันไม่ให้เลยอ๋อพ่อก็ได้ยินกับหูพอกลับมาลูกโอ้เพราะมันเป็นอย่างนี้เนาะสักทักเลยมัก็หนีไปอิตาผ้าขาวก็มาอ่าไปกลับบ้านแล้วก็หลับตาพักเดียวก็ถึงบ้านอันนี้การเทศหลวงตาเพ่งเทศให้ฟังจำมาเล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นโลกเต้าทั้งหลายที่มาเกิดกับเราเนี่ยคือเจ้านี้ลายใหญ่ของเราละเพราะฉะนั้นใครๆก็ตามในเมื่อเขามาเกิดกับเราแล้วดีมันก็คือของเราไม่ดีมันก็คือของเราประคับประคองมันไปใครมีครอบตัวไปดา่าภรรยาว่าไม่ดีตัวเองนะนะั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นเนี่ยภรรยาคนในดด่าสามีว่าไม่ดีตัวเองนะั่นแหะไม่ดี อยากจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีตัวเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาร่วมสุขร่วมทุกข์กันแล้วเราก็ต้องประทับประกองกันดีก็ของเราชั่วกว็ของเราไม่ใช่ว่าจะเก็บเอาแต่สิ่งดีโดยไม่ประทับประกองกันทำอะไรผิดพลาดนี่ลอยก็ไล่หนีตีส่งนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สาคัญที่สุดซึ่งเป็นหลักที่เราควรจะยึดถือ พระโพธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานมีศีลห้าข้อพระองค์จะสั่งว่าจะ่ฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าขมเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเส ม, มอว่าขอเปิ่มมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งคงตลอ อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าจะเอาไงเราก็ต้องเอาอย่างนี้สิพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราอย่าไปฆ่าพระพุทธเจ้าลักขโมยช่อโค้งไม่เป็นเราอย่าไปทำพระพุทธเจ้าไม่ไปขโมยลูกขโมยเมียใครขโมยไม่เป็นเราก็อย่าไปทำสิพระพุทธเจ้าโกหกหลอกลวงใครไม่เป็นเราอย่าไปโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าไม่อิจฉาตาร้อนใครเราก็เอาอย่างท่านสิ ถ้าเราจะเอาดีกับท่านในเมื่อเราเป็นลกูกศิษย์ของสู่ี่ไม่เชื่อฟังรู่เราจะเอาดีได้อย่างไรอันนี้ขอฝากญาติโยมทั้งหลายไปคิดดูอ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้วิกฤตการณ์ของพระศาสนานี่มีอันเตียนแปลงไปทุกระยะเพราะฉะนั้นจุดเจืนของชาวพุทธอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ทางปฏิบัติบทสวดบนอิติปิโสสวาขาโตตุปฏิปันโนจเจริญพรห ม, มวิหารแผ่เมตตาภาวนาโพธิโทให้โพธิโทเข้าถึงจิตอันนี้เป็นจุดตืด่นของชาวพุทธใครจะว่าอย่างไรเราเอาอันนี้ไว้ก่อนหากว่ามีใครเข้ามาว่าภาวนาโพธิโทไม่ดีอย่างนั้นจึงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่าไปเชื่อคนภาวนาไม่เป็น ถ้าคนภาวนาเป็นแล้วจะเอาคำไหนมาบริกรรมภาวนาที่เต้นสมาธิได้ทั้งนั้นหลวงพ่อได้ทดสอบมาแล้วที่วัดว่าผู้แก้วนัเกเรียนฝ่ายหนึ่งเป็นชาวเทศฝ่ายหนึ่งเป็นชาวพุทธชาวเทศให้มันภาวนาเยซูสชาวพุทธภาวนาผูโ้โตเด็กทั้งสองฝ่ายจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันเคยเจ็บมันได้สมาธิเพราะสมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรม มันจะต่างกันแต่วิธีการกับทาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์จิตเท่านั้นเมื่อเราตั้งใจจริงทําจริงเอาชีวิตเข้าแลก็พรไะอนั่นเราย่อมจะประสบผลสาเร็จเอาละวันนี้ขอบรรยายธรร ม, มะพอเป็นเครื่องประดิษฐ์ประดระดับสติปันดาของท่านทั้งหลาย <c oughs> ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ เรามาบำเพ็ญปองการสุศลนเพื่อบูชาพระคุณของพระบุรภาอาจารย์ขอให้สัมรวมจิตสัมรวมใจละมวนมาซึ่งบุญกุศสนที่เราบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันน้อมถวายเป็นเครื่องสการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ขอบารมีของครูบาอาจารย์จงคุ่มครองปกป้อ ง, องจิตใจของพวกเรา ให้ดำลงมั่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะบรรลุถึงสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานนิพพานปัจโยโหตุจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่กัณนิพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านโน้โดยในยะดังบรรยายมาเอวังก็มีด้วยปากาล ะ, ะนพ